เหตุปัจจัยและอารมณ์ปัจจัย35สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตซึ่งเป็นอภิญญากฤิต โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอัพญากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอภิญากฤตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตซึ่งเป็นอภิญากฤตโดยอารมณปัจจัยย่อสามสหเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสียปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสียปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอเจวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ ธรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระมหาระปัจจัยมีสี่วาระอินทริยปัจจัยมีหกวาระฌานะปัจจัยมีสามวาระเมฆะปัจจัยมีสามวาร ะ, ะ, าะสัมยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาะวระวิบยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเจดวาระย่อห้าสิจิตสังจัตถาทุกกะ หกุศลเตกะหนึ่ ง, ป, งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุปนัยเหตุปัจใจสามสิบเสภาวธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาสิบแปดเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสาสิบเสภาวธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสี่สิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอริมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหชาตะวาระและถึงปัญหวาห ว, หวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 41. สภาวะธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิตราศัยสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอัพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิตราศัยสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นอภพยากฤิตายสยสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตและที่ไม่รัคนกับจิตซึ่งเป็นอภพญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ42เหตุตุปั จ, จัยมีเก้าวาระอรมาณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อเหมือนกับอัพยากฤตในจิตตสัมยุตตะทุกกะ พึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารณาหกสิ 60. จิตตส ม, มุทฐานทุกะกะหนึ่งกุสลเดกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจะตุ ก, กนัยเหตุปัจใจสี่สิบสาสภาวธรรมที่มีจิตเป็นส ม, มุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นส ม, มุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุต <After all, S 2> ุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปุจปัยสภาะวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุดฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุดฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปจุจปัตย์ยอ่อ44เหตุตุปัปปจยัยมีห้าวาระอระมะณปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยจมีปัจยัยจละห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อ น้าทิปติปัจจัยมีห้าวาระน้ปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงน้าวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายจหาชาตะวาระเป็นต้นให้พิสดารสี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ46เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอานันตประป จ, จัยมี9วาระสมนันตระปัจจัยมี9วาระชาติชาตะปัจจัยมี5วาระและถึงอุปนิสยปัจจัยมี9วาระ อาเศวณปัจจัยมี9ก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมักระปัจจัยมีสามวาระสำปยุตตาปัจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระย่อสสเจสภาวะธรรมที่มีจีเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มี จ, brasile, จิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจใจสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ยอ่อ48เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ้นขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปุชละเบ ก, กะ49สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐาน ซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ ยอ่อห้าสิบเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอสิเวนปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระเนออารมณปัจจัยมีหกวาระ นาทิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีหกวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณะปัจจัยมีหกวาระนมะข้าปัจจัยมี9้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระโนนติปัจจัยมีหกวาระ นวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายสหาชาติวาระและถึงสัมปยุ ต, ตวาระให้พิจารณาห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภยากฤิตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัพยากฤิต เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภิยากฤิตโดยอรมณ์ปัจจัยย่อ52เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ อาเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารรปัจจัยมีเก้าวาระมูลแห่งสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเพิงเพิ่มเกวียงการาหานสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเพึงเพิ่มเกวียงกราหาน ในคาตนาเพิ่งเพิ่มเกาเลียงกระหานเข้าในถ้ากลางอินทรีย์ปัจจัยมีเก้าวาระรูปชีวิตินสีมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีสามวาระ ม, าามัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ อวิคตะปัจจัยมียก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปั จ, จนิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกูจะละติ ก, กะที่นับไว้แล้วหกสิบเอ็ด สหภูต <of mag> ุกะหนึ่งปุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุตุปัจจัยาสสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อห้าสิบสี่เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอกุศล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 อารามณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระย่อพึ่งขยายจหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาห้าสิบเสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิตปปมาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิดอาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อห้าสิบปดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีกลาวาระยอ่อเพึ่เพิ่มข้อความสามอย่างเหล่านี้ให้เหมือนข้อความสามอย่างที่มีเจตสิกะทุกะเป็นมมลพึ่ขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารหกสิบสองจิตานุปริวัติทุกะหนึ่งกุศลตุกะหนึ่งปฏิจจาวาระปัญยะจตุกนยเหตุปัจจัย ห้าสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที th สส like ่เป็นไปตามจิตซ uh ึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตและที่ไม่เป็นไปตามจิต ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อหกสิบเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ่งขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดาราหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศล เกิดข Leave, said, 3, ึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศ totally. ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตและที่ไม่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อหสองเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารมณะปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ่งขยายสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจาร 63. สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัภยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อ64เหตุ ป, ปัจจัยมี9้าวาระ อรจจ า, า ร, รามณปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระมาเสวนปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อเหมือนกับเจตสิกะทุกกะพึงขยายชาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาหกสจิตตสังจัตถสมุทฐานทุกกะหนึ่งกุศลติกะ หนึ่งถึงเจปฏิเจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัยสิบ้าสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิต แ ล, และมีจิตเ kind of mm. ป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่รคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่รคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อหกสิบหเหตุตุปัจจัยมีห้าวระ ปรมณ์ปัจจัยมีห้าวาระวาะถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับเจตสิกะทุกกะกุศลบทในมหันตระทุกกะวาระก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกันพึงขยายจหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาหกสสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็น <Number> สมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐาน และที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อหกสิบแปเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับเจตสิกะทุกะอกุศลบทพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาหเก้า สภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมทีท่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีสามวาระ สภาวะธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอภยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานซึ่งเป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเจดสิเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระละถึงนกกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณจาณปัจจัยมีหกวาระนมกคคะปัจจัยมี9้าวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระนวิปุญตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหาชาติวาระละถึงสัมยุญตะวาระให้พิจารณาเจสอสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัพยากฤิ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รกรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นอัภยากฤิโดยเหตุปัจจัยยอ่อ72เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาร ะ, าระในที่นี้หกวาระมีสหชาตาธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระย่อนเหตุปัจจัยมีกลาวาระนอารมะณปัจจัยมีกลาวาระย่อณอารมะณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมะณปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีกลาวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะ และปัจจิญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วหกสิบสี่จิตตสังสัตถะสมุทฐานะหภูทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุ ก, กนัยเทตุปัจใจเจ็ดสิบสามสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศล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 และเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดพร้อมกับจิตและที่ไม่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเจสิบสเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ่งขยายจหาัชาตะวาระ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 เจ็สิหเฮตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึ้นขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นนพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 78. ย่อ78เหตุปัจจัยมีกลาววาระอรามะณะปัจจัยมีกลาวาร ะ, ร ะ, าาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีกลาวาระยอ่อเหมือนกับอพยากฤิตในจิตตสังสัตถสมุทฐานทุกขะพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณา65 จิตตสังจัตถะสมุทฐ า, านานุปริวัติทุกกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจวาวระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย79สภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 มีจิตเป็นส ม, มุทฐานเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อแปดสิเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระพระถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาแปสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นส ม, มุทฐานและเป็นไปตามจิต ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกลับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ8ปสองเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายชาชาตวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาแปบสาม สภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอภิญากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่รัควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีกลาววาระอารมณปัจจัยมีกลาววาระละถึงอวิคตปัจจัยมีกลาววาระย่อเหมือนกับอัพญากฤิ ในจิตตสังสัตถะสมุทฐานทุกะพึงขยายชาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิดาราหกสิบหกอาชาติทุกกะหนึ่งกุศลติกกะหนึ่งถึงเจ็ด ปฏิจจวาระเป็นต้นป e ัจจะยะจตุกน e ัยเหตุปัจใจแปดสิบส like <inks> ี <fish Kem pen>. ่สภาวธรรมที course, ่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจย่อแปดสิบห้า เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับจิตตทุกะพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาแปสิบหสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุสนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อแปสิบเจ็ดเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับจิตตทุกกะพึงขยายสหชาติวาระละถึง ปัญหาวาระให้พิจารณาแปดสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอภยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อแปสิบเก้าเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีห้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอสวนปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระละถึงมรรคปัจจัยมีก้าวาระสมปยุตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตปัจจัยมีก้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีก้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระณอธิปติปัจจัยม <Tot> ีเก <sloppy> ้าวาระ ละถึงนกกรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนัฌานปัจจัยมีห้าวาระนมัคคปัจจัยมีเก้าวาระนสัมยุญตปัจจัยมีเ้าวาระนวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัิปัจจัยมีเ้าวาระโนวิคตปัจจัยมีเก้าวาระย่อ เพ่งขยาย С. สหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดารเกสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยกฤิเ ต, ปต เ, ปฤเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยย่อสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยกฤิตโดยกรรมปัจจัยมีสามวาระ เก้าสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนในการที่ถึงแม้วาระทั้งสามในถ้ำกลางก็เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจใจมีเก้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจใจมีเก้าวาระเป็นอรมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระเสาวนปัจจัยมีเ้าวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจใจแห่งสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤต โดยก ร, รมมปัจจัยมีสามวาระก ร, รมมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระมหารปัจจัยมีเก้าวาระสำหรับอาหารสามเป็นเกาเลงกราหารอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระสำหรับอินทรีสามเป็นรูปรปัจฉิวตินทรียฌานปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระ วิปยุตตปัจจัยเมียก้าวาระอัติปัจจัยเมียก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยเมียก้าวาระยอ่ออชจชติกะทุ ก, กะและกุสลติกะจบ